จึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีดังที่ได้กล่าวมาคำว่าอินทรีแปลว่าเป็นใหญ่หมายเหตุไม่พึงสับสนระหว่างอินทรีที่เป็นอายตนะคืออินทรีหกตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนอินทรีห้าในที่นี้เป็นคุณธรรมห้าอย่างคือศรัทธาวิริยะสติ